พวกเราก็ได้สวดมนต์พิจาณาสังขารแล้วก็อภิษฐรพจเวปสองบทนี้ก็เป็นบทที่ถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยมันก็ตกมาชีวิตของพวกเราอย่างปีนี้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่มากเพื่อจะเป็นภัยแล้งใะต้นปีไฟป่าโรคโควิดระบาดแล้วก็น้ําท่วมตอนนี้น้ําท่วมหลายประเทศเลยประเทศไทยก็บางที่ก็น้ําท่วมท่วมหนักและเมื่อสองวันก่อน ที่เลมานอนกูเมรุตอ่ะก็มีระเบิดระเบิดแบบชิรุนแรงคนตายหลายร้อยกว่าคนบ้านเรือนกระจงกกระจายหมดเลยคือเหมือนกับว่าประเทศเกิดมีปัญหาก็ถูกโรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดทำให้ลาบากเศรษฐกิจ ก, ก็ไม่ดีผู้คนก็ต้องกักตัวทําอะไรไม่สะดวกแล้วไปเจออุบัติเหตุต่างๆกระหน่ำซ้ําเติมเข้าไปอีกนั้นเป็นไปตามบทสนมแั้วแหละเราก็ต้องมาพิจารณากัน ถ้าเราพิีารณาดีๆเนี่ยชีวิตของเราจะมีสิ่งที่กำหนดไม่ได้อยู่5้าอย่างสิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลครอบงำเรามากเลยขนาดที่เรามีชีวิตยอยู่นะคือหนึ่งอายุสองความเจ็บไข้อุบัติเหตุสเวลาที่จะตายสสถานที่จะตายหคติที่จะไปห้าอย่างเนี้จะครอบงำจิตใจเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้อย่างเรื่องอายุ อายุคนเราถ้าเฉลี่ยก็จะมีประมาณ75ปีขาดเกินนิดหน่อย75ปีถ้าจะนับเป็นวันก็ได้ 27,375 วันแต่ถ้านับเป็นเป็นเดือนก็ประมาณ900รเดือนถ้านับเป็นสัปดาห์ก็ประมาณ 3,600 สัปดาห์อาจจะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยเพราะบางเดือนก็มี30วัน3าวั น, วนหรือ28วันนะ ก็ไม่เยอะกว่านี้หรอกก็ทำให้ทะลา บ, บพียดีเนี่ยอายุคนเราจะไม่มากเลยสอง7 5ดันสารอ็ิบห้าวันถ้ามานับจริงจริงเราเราใช้ไม่ถึงด้วยเพราะว่าเราต้องหักเวลาที่เรานอ น, อนพักผ่อนเวลาที่เราอาบน้ำกินข้าวขับทายหรือนั่งรถเจ็บไข้ได้ป่วยอีกหักไป12สิบชั่วโมงก็จะเหลือครึ่งเดียวเองก็จะเหลือชีวิตที่เราใช้จริงประมาณ หนึ่งหื่นาันห้อยแสิบ็ดวันตีซะหนึ่งหมื่นสี่พันวันก็แล้วกันไม่เยอะนะหนึ่งหมื่นสี่พันวันที่ปั๊บเดียวปั๊บเดียวแก่แล้วอย่างเรามามาอยู่นี่ก็อายุสามสิบกว่าตอนนี้ก็ไปปั๊บเดียวห้าสิบกว่าแล้วก็มีคนที่รู้จักก็ตายไปเยอะแยะแล้วบ้างก็เจ็บป่วยบ้างก็แก่งอมไอ้เด็กเด็กที่เราเคยบิดาบาตตัว เ, เล็กๆตอนนี้ก็มีลูกมีผัวกันแล้วก็หลายคนมันก็เปลี่ยนแปลงไป หมาแมวก็ตายไปหลายตัวแล้วทรัพิี่ใดดีเนะี่ยสิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลครอบบางจิตใจเราอย่างที่สวนโมกถ้าใครเคยไปนะที่โรงหมอศพทังวิญญาณเนะี่ยมันจะมีนิทนล้อมนุษย์เมื่อก่อนเราชอบนิทนอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาเขียนไว้ที่ฝาผนังนะจะมีภาพพระโพมหัวล้อแล้วก็มีมีวัมวมีหมามีลิง แล้วก็มีคนนิทานเรื่องนี้ว่าพระเจ้าสร้างโลกถ้าเราพิจารณาดีก็ถือว่าล้อมนุษย์ได้ดีมากเลยนะเนื้อเรื่องในนิทานก็มีกัละครั้งหนึ่งพระพรมได้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาโดยเอาดินเหนียวมาปั้นแล้วก็ระบายลมปานเข้าไปทางจมูกหลังจากสิ่งนั้นมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ได้ถามพระพรมว่าจะให้เรียกว่าอะไรอายุเท่าไรทาหน้าที่อะไร พระผมก็ให้เรียกว่าคนให้มีอายุสามสิบปีให้มีหน้าที่ทําให้โลกสนุกสนานไม่ต้องรับผิดชอบอะไรวันต่อมาพระผมหลังจากสัญญากับคนว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวคนอาจจะต้องทางานหนะักจึงสร้างวัวขึ้นมาโดยมีหน้าที่คอยทํางานรับใช้คนและให้มีอายุสามสิบปี วัวหลังจากรู้ว่าต้องทํางานหนักรับใช้โคอายุถึงสาสิบปีเนี่ยวัว ก, ก็รู้สึกไม่ค่อยชอบใจนะเพราะว่าเกิดมาก็ลาบากตลอดชีวิตจึงขอลดอายุกับพระพรหมขอเหลือแค่สิบปีก็พอละพระพรหมก็ตกลงตามใจวัวฝ่ายคนพอรู้ว่าพระพรหมลดอายุให้วัวตัวเองก็อยากได้อายุของวัวมาใส่อายุตัวเองจากเดิมสามสิบปีก็ไปขอพระพรมมาละ ยี่ิปีพระผมเข้าใจดีแล้วก็ให้ไปเพราะผมก็คิดว่าเอให้หัวแล้วเผื่อภายภาคหน้าเกิดคนมีทรัพสมบัติก็ต้องมีสิ่งที่มาเฝ้าจึงสร้างหมาขึ้นมาแล้วใครหมาเนี่ยอยู่คอยเฝ้าสมบัติเฝ้าบ้านให้คนโดยมีอายุสาสิบปีหมาก็ไม่พอใจนะเพราะว่าสาสิปีสำหรับการเฝ้าบ้านและรับใช้คนเนี่ยมานานเกินไป เลยขอลดอายุตัวเองเหลือสิปีก็พอฝ่ายคนรู้ข่าวก็เกิดความโลภแล้วก็เหมือนเดิมแหละเข้ามาขออายุหมากับพระผรหมพระผรหมก็ใจดีให้เป็นเหมือนเดิมตอนนี้คนจาก50ปิปีได้อายุหมาเพิ่มมาก็เป็นเจปีแล้วพระผรหมก็เป็นห่วงคนเหมือนเดิมแหละกลัวคนจะโอ้โหจะต้องทํางานต้องคําเครียดจึงสร้างลิงเพราะลิงเนี่ยเป็นตัวตลกลิงเลยอยากถูกสร้างมาแล้วพระผมก็ให้มีอายุ สามสิบปีและมีหน้าที่คอยสร้างความตลกขบขันให้กับคนลิงก็ไม่พอใจนะพราลิงรู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นตัวตลกสามสิบปีมันนานเกินไปเลยมาขอลดอายุกับพระผมพระผมก็ลดให้เหมือนเดิมแหละเอาสิบปีคนก็โลบเหมือนเดิมแหละพอรู้ว่าพระผมลดอายุให้หลิงเกลมาขอพระพมอีกแหละพระผมก็หัวเราะในรูปที่ลงหนังในพระผมจะหัวเราะนะหัวเราะสมเพศคนแต่ก็ให้ ได้อายุของบัวหมามาแล้วเจ็ดิปีพอเพิ่มอายุลิงเข้าไปตอนนี้คนก็มีอายุ 10, ประมาณเก้าสิบปีแล้วพระภรหมก็สร้างโลกให้มีน้ำมีภูเขามีลำธารมีเรื่องต่างๆก็เสร็จกิจของพระพรหมเราสังเกตคนเราจะเหมือนกับที่พระภรหมสร้างนะสามสิบปีแรกไม่ด้รับผิดชอบอะไรเลยใช้ชีวิตแบบสรุกสนานรื่นเริงเป็นตัวของตัวเอง แต่พอหลังจากสามสิบปีขึ้นไปเนี่ยได้อายุของวัวมาจะต้องทำงานหนักรับผิดชอบครอบครัวมีฝารับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหลังจากอายุห้าสิบปีก็ไปรับอายุของหมามาหมานี่ก็ต้องเฝ้าเฝ้าบ้านคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไงแล้วหมาก็เป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงเจออะไรนิดหน่อยก็เห่าก็เหมือนกับคนเนี่ยบางทีก็นิดหน่อยก็บ่นลูกหลานละอะไรก็ขัดใจก็บ่นก็เหมือนหมา แล้วพอแก่อายุเจ็ดสิบขึ้นไปรับอายุจากลิงมาทีนี้ก็คนแก่เขาจะหลงหลงลืมลืมได้หน้าลืมหลังแล้วก็จะเหมือนเด็กถ้าคนไม่ฝึกสติมานะคนแก่เดี๋ยจะกลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วบางทีก็เป็นตัวตลกไปรับอายุจากลิงมาถ้าไม่มีสติบางคนก็เหงาเหงาว้าเวมีหลายคนคนแก่เหงา หเหงาปุ๊บก็ต้องไปหาเพื่อนคุยหาเครื่องอยู่ว่าเราคนแก่เขาเยอะคนแก่นี่ก็ทุกหลายอย่างทุกทั้งสังขารเสื่อมโรคภยัยไข้เจ็บเป็นเบียนสารพัดลำบากเรื่องอายุเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้แล้วควบคุมไม่ได้นะบางคนเนี่ยตายได้ยังเด็กแล้วบางคนก็ตายตอนอายุวัยรุ่นบางคนก็ตายตอนกลางคนตายตอนแก่ นั้นเราจะไม่รู้เลยเราจะมียอายุเท่าไหร่ไม่มีใครกําหนดได้ไม่มีใครรู้อายุตัวเองเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เรื่องอายุดนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็มาเรื่องความเจ็บไขอบ้อุบัติเหตุอุบัติเหตุเนี่ยอันนี้ก็ไม่อยู่ใต้อํานาจควบคุมของเราเหมือนกันอย่างวันนี้เราล่างกายแข็งแรงเราไม่รู้เลยว่าชั่วโมงต่อไปหรือพรุ่งนี้อจะเกิดอะไรขึ้นอย่างทุกวันนี้เราก็มีโควิดเป็นตัวให้พิจารณานับถับทุกความเดือดร้อยมาให้กับคนในโลกนี้ อย่างคนที่มารู้จักเนี่ยก็เสียผู้เสียคนไปเพราะบัติเหตุก็หลายหลา ย, หลายคนแล้วนะอย่างเมื่อก่อนก็มีอาจารย์ชัดชยัยพงษโยงคงไม่รู้จักเหรแกจบธรรมศาสตร์แล้วแกก็มีอนาคตคือทําท่าจะเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าสมภิษนัยแล้วก็หลวงพ่ทองเนี่ยให้ไปดูแลบุรุษที่หลวงพะเทียนเป็เจ้าสํานักคืออนาคตกลางรุ่งเลยท่านก็พูดเก่งแล้วก็มีปัญญา แล้วก็พูธมะแนวเซนเนี่ยถ้าจะเทียบก็คล้ายๆอ า, า, า, า, าจารย์ออสอ่ะของเราเนี่ยแหละถ้าคุยกันก็โอ้โหไหลลื่นเลยแต่อยู่วันหนึ่งท่านเกิดอุบัติเหตุไงตกตกหลังคาคือเอาเอาอีโต้เนไปฟันกิ่งไม้ก็ทีนี้เหยียบพลาดก็เลยทะลุหลังคาลงมาเลยหัวฟาดกับโต๊ะตกมาที่พื้นเนี่ยตอนนั้นอามาก็อยู่ด้วยนะเราก็ เห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าอัฐมาก็เดินไปเดินมาแถวนั้นแหละถ้าตกใจเราเราก็ซวยไปด้วยก็เลยรีบอุ้มท่านขึ้นรถแล้วก็พาไปหาหมอแล้วก็อัฐมาได้เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นนะตอนนั้นอนะ่ะมือถือตอนนั้นก็แกก็ได้มือถือตัวหนึ่งมา3310โนเกียเข่าดําเล่นไม่เป็นก็เลยจําเป็นต้องหัดเล่นไงเพื่อช่วยชีวิตแกเนี่ยก็โทรศัพท์ตามญาติตามคนที่รู้จักอ่ให้มาโรงพยาบาลนี่แะ ไปเามากระโดนผ่าสมองตั้งหลายรอบทุกวันนี้แกก็เลยเสียคนเลยจำควา ม, มจามําเสื่อมแม้แต่ชื่อตัวเองจําไม่ได้เลยหรือตัวมาแกก็จําไม่ได้ตอนก็อยู่อาจารย์โน้ตอยู่จากคนที่มีอนาคตก็กลายเป็นคนจิตความจําเสื่อมเพราะอุบัติเหตุแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองทิกชีวิตคนเราได้เลยอาจารย์ตรงขานอีกคนหนึ่งที่ว่าไม่รู้โยมรู้จักหรอกแกก็พรรษาตอนนี้ก็ยี่สิบกว่า ไปไปลายแล้วประมาณยี่ิหกได้เมื่อก่อนก็แข็งแรงตัวใหญ่กล้าเป็นมัดเลยแล้วมีวันหนึ่งแกลื่นล้มเพื่อลือ่น ล, ล้มเนี่ยยางรุนแรงนะชีวิตแกเปลี่ยนเลยกลายเป็นคนเจ็บป่วยออนแอต้องรักษาตัวเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยก็ทำให้อนาคตเปลี่ยนเหมือนกันการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งเนี่ยพวกโยประมาณไม่ได้นะอย่างวัดเนี่ย ตัวออกมาก็เคยโดนไปแล้วลื่นเข้าไปแขนฟาดกับพื้นอย่างรุนแรงอะ่ะแบบเบรไม่ต้องติดเบรคแล้วมันลื่นแบบโอ้โหฟาดแบบแรงมากตอนนั้นเกือบตายอะ่ะเพราะว่าตะไคร่ที่อยู่บนพื้นเนี่ยถ้าฝนตกนานเนี่ยมันทำให้ลื่นอันพวกโยมประยัวมาทนะบางคนแขนขาหักหัวล้างข้างแตกถ้าเป็นคนแก่อาจจะไม่กลับมาก็ได้เกิดอุบัติเหตุแล้ว บทอนาคตหรือตายไปเลยก็ได้พิโกงพิการอย่างเงี้ยนั้อน อ, อุบัติเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเอาแน่นอนเอาอะไรไม่ได้เลยอนั้นอย่าประมาทมาข้อที่สามข้อเราไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนตายเวลาใดตรงเนี้ยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าเชา้าสายบ่ายเย็นกลางคืน เวลาความตายมาเราไม่รู้ด้วยได้เลยบางคนร่างกายแข็งแรงนะอยู่ๆหัวใจวายหยุดหายใจไปก็มีหรือถือข่าวซวยนั่งนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยชิ้นส่วนเครื่องบินหล่นใส่ทะลุหลังคาบ้านทับตายก็มีความตายมีหลายรูปแบบคือบัจจูราชะมีเสนาะมากเดินเดินไปไปเหยียบ ง, งูงูกัดตายก็มีหรือไม่บางคนก็ตายพิศดารอันมาเคยเจออยู่ข่าวหนึ่งคนพึ่งฉลองจบปริญญาปริญญานะ แล้วไปกินเล้ากับเพื่อนมาแล้วก็รถวิ่งไปถึงทางด่วนนะแกก็ออกมาอ้วกไนงะแล้วก็ความซวยคือไอ้สิบล้ออยู่คันหนึงมันวิ่งไปแล้วล้อมันหลุดไงสิบล้อวิ่งได้นะเก้าล้อก็วิ่งได้แต่ไอ้ล้อที่หลุดเนะี่ยบันไดมาทับไอ้คนที่กําลังอ้วกตายแบบเบาะเจาะเลยฉันความตายจึงไม่เลือกเวลาตายตอนไหนคืออย่ามาอ่านก็แล้วกันแล้วก็สารที่จะตายข้อสานที่จะตายสารที่จะตายนี่ก็ ที่เราก็ไม่รู้นะเราอยากตายในบ้านตายนอกบ้านตายในป่าตายบนภูเขาตายในน้ำหรือตายบนถนนหรือตายต่างประเทศหรือตายโรงพยาบาลอันนี้เราไม่รู้จริงบางคนโชคดีหน่อยก็ตายตอนแก่เพราะต่ดตายตอนแก่มันสามารถเคลียร์หลายเรื่องได้คือคนแก่ถ้ายุสมควรแล้วตายน่ถือว่ามีบุญแนละ้วอยู่แบบรักษาชีวิตจนแก่ได้เนี่ยคนเก่งแนละ้ว ยิ่งใครอยู่ถึงอายุเจสกว่า80ดิเนี่ยสามารถยืดหยุ่นไม่มีเรื่องอะารแล้วก็สามารถประคองชีวิตมารอดมาได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาสมัยนี้อยู่ถึงแก่ยากนะไม่ง่ายอันสานที่จะตายเนี่ยเราก็หนีไม่ได้จริงเพราะเราก็ไม่รู้พอมาอยู่ร่างมีเสนามากแล้วมาข้อที่ห้าคติที่จะไปคติที่จะไปนี่เราก็หนีไป่ได้เหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปไหน อย่างเราทาบุญมามากเนี่ยแต่ตอนตายเรา ไ, ไปคิดเรื่องไม่ดีเราก็าไปทุกขติก็ได้หรือบางทีเราทบาบาปมาเยอะแต่ตอนตายจิตเดาไปกุศลคิดเรื่องดีๆก็ไปสุกติก็ได้หาความแน่นอนไม่ได้อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีพระนางมาริกาซึ่งเป็นพระเมสศรีของพระเจ้าประสิทธิกโกศแกก็อยู่ครั้งหนึ่งอาบน้ําอาบน้าก็ต้องเพลี่ยงผ้านะมันก็มีหมาที่ที่เลี้ยงไว้แหละ อาจจะมาเรียนนูเรียนี่แล้วตัวเองก็เพลินตามอารมณ์ไงแล้วเพลินพระเจ้าประเศษที่โกศลเน่ยเห็นเข้าหลังจากเธออาบน้ําเสร็จแล้วพระเจ้าประเศษทธิโกศลก็เข้ามาว่าหนังถอยทําอะไรสับปดีสับประรดอะไรเงี้ยแต่นางมาณิการเนี่ยมีไหวพริบที่ดีนะก็เลยโกหกพระเจ้าพระเศษทธิโกศลว่าไอห้องน้ําเนี่ยถ้าใครเข้ามาก็จะเห็นเป็นสองคนหรือเห็นเป็นสองสิ่งพระองค์ตาฝาดไปแล้วพระเจ้าประเศษทธิโกศลก็ไม่เชื่อนะ นางก็ออกอุบายให้พระเจ้าประเสริฐกุศลเนี่ยค้องน้ําแล้วนางเป็นคนแอบดูบ้างแล้วนางก็ว่าพระเจ้าประเสรเิฐกุศลเนี่ยว่ากําลังมีอะไรกับแพะทําบัตศีบัตรเถลิงไงคือโยนฝาผิดให้ก็ใช้อุบายต่างๆแหละพูดจนพระเจ้าประเสรเิฐกุศลเชื่อแต่หลังจากหลังจากนั้นก็เกิดเกิดได้คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะสิเราพูดไปเนี่ยเป็นการโกหกจิตเศร้าหม อ, องทันทีเลย เพราะการโกหกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จริงไงแล้วทําให้ผู้อื่นเสียหายเนี่ยจิตก็จิตตกไงแต่เธอก็ทําบุญไว้เยอะนะทําบุญกับพระสมหมู่ใหญ่หลายครั้งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเธอก็ตายตายไปแล้วก็ไปเกิดในอเวจีนรกเพราะดันไปคิดแต่เรื่องที่โกหกพระสวามีคือไม่คิดสิ่งบุญที่เคยทําไงพระเจ้าพระเสษที่กุศลหลังจากจ่าแม่ศรีตายเนี่ยก็เสียใจมากเลยนะ ก็อยากรู้ว่านางเนี่ยตายไปแล้วอ่ะไปไหนจึงนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสัพพัญยูไงรู้ทุกสิ่งจึงตั้งใจไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็รู้ได้ยานว่าพระเจ้าเปรตทีโกศลเนี่ยจะมาถามเรื่องมเหสีแต่ถ้าพระองค์บอกความจริงไปก็จะทําให้มีปัญหาเพราะอาจจะทําให้ศรัทธาตกเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยพระเจ้าเปรตทีโกศลเนี่ย เป็นผู้อุปถัมภ์พรพุทธสนานะคือมีการทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็ช่วยเหลือต่างๆไงคือบอกความจริงไม่ได้พระองค์จึงบันดาลด้วยฤทธิ์ให้ให้ลืมทุกครั้งเลยมาเจ็ดวันมาถามก็ลืมทุกวันหลังจากเจ็ดวันไปพระนางมาริกาก็จุติใหม่จากตกระลกเข้าไปเกิดเป็นเทพประบุตรอยู่ชั้นดุสิตตอนนี้พระเจ้าพระเโสโกศลมาถาม พระพเจ้าไม่ปิดบังแล้วก็บอกว่าไปเกิดเป็นเทพยอยู่ชั้นดุสิตซึ่งสร้างความยินดีให้กับพระเจ้าประธิดาุศลมากที่ว่าทําดีได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเพราะนางทําบุญไว้เยอะไงบุญถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนเรือบาปเดียกเปียบเหมือนก้อนหินนะก้อนหินเนี่ยก้อนเล็กๆ เ, เราเฟี้ยงลงน้ําเนี่ยมันก็จมเลยแต่เรือสามารถรองรับก้อนหินได้มากมายโดยที่ไม่จมฮัลทบุญเนี่ยจะมีที่ส่งมาก สิ่งี้กบดไม่ได้เนี่ยที่อนามาพูดมาเนี่ยห้าอย่างเนี่ยถ้ายมพี่นายดีมก็ช่วยทำให้เราทุกน้อยลงถ้ายมตั้งใจฟังธรรมเมื่อสามวันก่อนม่าจะเป็นอาจารย์วะราชัยอาจารย์ออสหรืออาจารย์เปี่ยเนี่ยสามท่านนี้จะพูดเหมือนกันตอนจบคือพูดเรื่องคล้ายๆให้เราเพิกถอนความหลง่งหลงผิดคิดว่าเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนรู้โยมจาได้หรือเปล่า พอจะพูดเหมือนกันเปียบเลยสาคนเอามาฟังสังเกตมาเพราะคนเราโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความหลงผิดอยู่ไงหลงผิดเห็นเห็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงอันนี้มองกลับด้านนะมองแบบอวิชาน่ะจะเห็นของเที่ยงเป็นของของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนเห็นของไม่งามว่าเป็นของงามอันนี้คือความเห็นผิดแต่ถ้าเราเกิดเห็นถูกขึ้นมาเนี่ย เห็นของไม่เที่ยงคือเป็นของไม่เที่ยงเห็นทุกก็คือทุกเห็ wn, so นความไม่ใช่ตัวตนก็คือไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไงแล้วก็เห็นของไม่สวยไม่งามก็คือของไม่สวยไม่งามไปเลยแล้วก็พิจารณาอย่างบทสวดมนต์พิจารณาทังขาเนี่ยมันจะมีให้พิจารณาดับแรกเลยให้พิจารณาความไม่เที่ยงแล้วก็มาพิจารณาความทุกข์พอความไม่เที่ยงปุ๊บก็ต้องทุกข์อ่ะ เสร็จแล้วก็มาพิจารณาณตาเพราะความเป็นณตานี่แหละความพิจัยตัวไม่ใัยตนเนี่ยทําให้เราเนี่ยออกจากทุกได้อย่างบทส่วนมนต์ตอนเช้ามันจะมีพันธนาถึงขันห้าต่างๆว่าเป็นตัวทุกข์แล้วก็มาจุดสําคัญคืออุปทาขันห้าเป็นตัวทุก์เนี่ยคือถ้าเรายึดมั่นในขันห้าหรือรูปนามเนี่ยเราจะทุกทันทีเลยแต่ถ้ า, าไม่ยึดเพิกถอน ไม่ยึดความทุกข์ ก, ก็ลดลงถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องฟาร์มเห็นผิดให้มาเห็นถูกเนี่ยความทุกข์กเราก็ลดลงแล้วโดยยังไม่ยังไม่บรรลุธรรมนะไม่เกี่ยวกับเรื่องบรรลุธรรมเพราะว่าคนเราทุกข์เนี่ยเพราะเห็นผิดไงเพราะถ้าเรามีอัตตาเยอะเนี่ยทุกข์เราก็มากตามอัตตาแหละมันจะกระแทกกระทบอะไรไม่ได้เลยใครว่าเราก็โกรธล้วจะโกหกคนดูถูกแล้วก็จะยึดสักสีอะไรเยอะแยะหมดอะซึ่งเป็นเรื่องของอัตตางั้นแต่ถ้าคนหรือเข้าใจธรรมะเนี่ยมันจะไม่ค่อยยึดเวรเรื่องพวกนี้ละ ของพวนี้เป็นหัวโขนคือก็ทําตามหน้าที่ไปไปแบกไม่ได้นะอัตตาเนี่ยหัวโขนก็เล่นตามบทไปแล้วก็เลิกไยึดไม่ได้พอเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่ตามที่หัวโขนมแสดงอ่ะถ้าเราเข้าใจตรงนี้อัตตาเราก็น้อยลงพอตาน้อยลงแล้วก็ใช้ชีวิตสบายๆเรื่องอัตตาน้อยมันก็ทุกน้อยตามไปด้วยแหละเพิกถอนความรู้สึกว่าเป็นกูของกูแต่โดยธรรมชาติจิตมันจะยึดแหละความคิดปรุงแต่งอ่ะมันก็บอกเนี่ยกูนะนี่ของกูนะ มันไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดแต่เราก็ต้องรู้ก่อนแล้วสี่สัมขารเราก็ต้องมาสร้างความรู้สึกตัวมาเจอสติเพราะถ้าเราเจอสติเนี่ยมันก็จะเห็นอารมณ์ได้ง่ายเห็นเอ้ยความคิดปรุงแต่งมันมาเข้ามาแล้วมันก็ไปจริงจังกับมันไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีสติความคิดจอดเข้ามาครอบงามเรามันก็จริงเ ป, เป็นจริงเป็นจังนะไม่จะเป็นความโกรธความโลภความหลงอารมณ์ทุกชนิดแหละเราจะตกไปท่าเข้ามาเลย ทังที่ไม่จริงนะแต่ทําไม่จริงได้เรื่องอะภาพพิปรุงแต่งเนี่ยนั่นการเจรติช่วยได้พอรู้กตัวมันมาแล้วมันก็ไปถ้าเราทําบ่อยๆจะเป็นสิสัยภาพคิดมันก็ไม่ครอบงําเราแม้ตอนตายนะตอนตายเนี่ยถ้าเกิดเรามีสติถ้าเราไม่บรรลุธรรมเราก็ไปสุขติได้ถ้าเราแบบต ก, กไดพอโจนบางทีก็ไปที่พ่านได้เลยนะไม่ใช่ล้อเล่นนะเรื่องเรื่องสติเนี่ยอย่างหลวงพ่อ พ, พุทธทาส ก, ก็พูดไว้ บางคนตายฉับพลันน่ยโดนระเบิดตายโดนยิงตายอุบัติเหตุตายโดนรถเหยียบตายเนี่ยขณะเที่ยววิญาที่สุดท้ายถ้าเกิดตกกระไดพลอยโจนเนี่ยไปนิพพานได้หลวงพ่อเทียนก็พูดไว้เหมือนกันท่านพวกเราต้องพิจารณาให้ดีๆเมื่อจะเป็นพิจสังขารพิจารณาอภินิหารปัจเวกที่ท่านมาพูดไปเนี่ยเอาไว้เป็นเครื่องหรือคาถาการทุกข์แต่เราก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรก็คืออาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยครูบาอาจารย์ผู้รู้แหละ เป็นมิตรเพื่อพาเราออกจากความทุกข์นาพูดมาก็เห็นว่าสมควรเวลาญาติโยมก็ขอให้มีวาสุ ข, ขวาเจอทํายิ่งขึ้นไปเอวัง